คนก็จะได้กลับบ้านแล้วนะหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแม้ว่าฟ้ามันจะหม่นมัวนะแต่ว่าจิตใจก็เบิกบานนะเหมือนดอกไม้ดีใจที่ได้กลับบ้านนะอาจจะเป็นเพราะว่าที่บ้านนั้นมีคนรอเราอยู่มีลูกมีหลานมีคนรักมีพ่อมีแม่แต่บางคนแม้อยู่คนเดียว นะพ่อเป็นโสดนะนะก็ยังดีใจนะที่ได้กลับบ้านแม่ไม่มีใครรอเราอยู่ที่บ้านก็ตามแต่ก็อยากให้คิดสักหน่อยนะบ้านที่รอเราอยู่นะอันนั้นเนี่ยเป็นบ้านของกายนะเป็นบ้านของกายก็คือเป็นที่ที่เราได้อาศัยหลับนอนเป็นที่ที่ ช่วยทำให้เราอยู่อย่างสะดวกสบายในยามที่ข้างนอกร้อนนะเราก็แดดสายบ้านนะช่วยให้ร่มเงาในยามที่ข้างนอกหนาวนะเราก็สายบ้านที่ให้ความอบอุ่นแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นแค่ความสุข ก, กายนะสิ่งที่เราควรจะมีด้วยก็คือบ้านของใจอ่าคนส่วนใหญ่ก็ นึกถึงแต่บ้านของกายแล้วก็หาเงินหาทองก็เพื่อจะได้มีบ้านของกายที่มั่นคงแน่นหนาบางคนก็ยังไม่พอใจกับบ้านที่มีอยู่เพราะเล็กไปบ้างเก่าไปบ้างจะหาบ้านของกายหลังใหม่นะก็ดีแล้วนะหรือจะพยายามดูแลรักษาบ้านที่มีอยู่เอาไว้นะมันก็เป็นหน้าที่ แต่ว่าบ้านของใจก็สำคัญคนส่วนใหญ่มีบ้านของกายแต่ไม่มีบ้านของใจเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีใจก็ยังรุ่มร้อนเมื่อเจอสิ่งกระทบไม่ว่าจะเห็นทางตาได้ยินทางหูหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆหลายคนเวลาอยู่ไกลบ้านก็จะเหงามาอยู่วัดก็รู้สึกเหงา นะหรือว่าบางทีไปเที่ยวด้วยซ้ําก็ยังรู้สึกเหงาอันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าใจยังไม่มีบ้านนะเพราะถ้าใจมีบ้านเนี่ยนะมันก็จะรู้สึกอบอุ่นและบ้านของใจเนี่ยนะถ้าเราหาได้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนก็อบอุ่นนะไม่รู้สึกเบื่อพราะาบ้านของใจเนี่ยจะตามเราไปทุกที่ให้บ้านของกายเนี่ยมันอยู่เป็นที่นะ แล้วเราก็ไม่สามารถจะอยู่กับบ้านชนิดนั้นเนี่ยได้ตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวนี้เราก็อยู่บ้านชนิดนั้นเนี่ยซึ่งก่อ้วยอิฐ ท, ทําทว่ปูนเนี่ยวันึก็ไม่กี่ชั่วโมงเพราะต้องไปทำงานออกจากบ้านแต่เช้ากว่าจะกลับบ้านก็ค่ำหรือดึกและอย่เดี๋ยวนี้เราก็เดินทางกันเยอะด้วยเราก็ต้องทิ้งบ้านไปข้างหลังนั้นใจเนี่ยนะมันก็เลยเหงา เพราะว่าไม่มีบ้านให้ใจบ้านของใจนี่มันประเสริฐหลายอย่างนะคือว่าสามารถจะตามเราไปได้ทุกที่ทําให้อยู่ที่ไหนก็มีความอบอุ่นนะมีจิตใจที่มันคงไม่เหมือนบ้านของกายที่ไม่ว่าจะมีอยู่กี่หลังกี่หลังนะมันก็เคลื่อนย้ายตามเราไปไม่ได้แถมยังเป็นพาละให้กับเราด้วย บ้านของกายที่มันทำด้วยอิด ก, ก่อด้วยปูนเนี่ยนะยิงราคาแพงหลายสิบล้านก็ยิ่งสร้างความกังวลนะสร้างความหนักใจให้กับเราเพราะว่าไหนจะต้องคอยดูแลทำนุบำรุงรักษาให้มันดีวันดีคืนดีก็รังคารั่วท่อน้ำแตกหรือว่าผนังร้าว ยังไม่ต้องพูดถึงปลวก่างนะเดี๋ยวนี้หลายบ้านเนี่ยมีปัญหาเรื่องปลวกแม้จะเป็นบ้านปูนก็ตามบางคนก็ยังทุกข์เพราะว่ายังผ่อนไม่หมดนะนะต้องผ่อถึงสิบปียี่สิบปีอันนี้เร้ ว, ว่าเป็นภาระนะทำให้เกิดความทุกข์ได้ด้วยซ้ำอาจจะให้ความสะดวกสบายทางกาย กันร้อนกันหนาวแต่ว่าก็ทําให้เกิดความกังวลกับจิตใจอันนี้เรียกว่าทุกยิ่งม่มองพูดถึงว่าวันดีคือดีบ้านไถูกจึดนะถูกยึดไปบางคนทําใจไม่ได้นะบ้านถูกยึดนะต้องไปอยู่บ้านเช่าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะมีคนหนึ่งเนี่ยนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะทาธุรกิจผิดพลาดหรือไง หรือว่าเกิดปัญหาเรื่องการเงินบ้านถูกยึดรถก็ถูกยึดนะทำใจไม่ได้นะค่าตัวตายอาจจะเป็นเพราะสุกเสียหน้านะว่านะถ้าไปอยู่บ้านเช่าเนี่ยมันเสียหน้าถ้าไปนั่งแท็กซี่หรือนั่งรถเมล์มันเสียหน้าอันนี้เร้ ว, ว่าบ้านของกายเนี่ยบ่อยครั้งมันก็สร้างความทุกให้กับเราเอง แต่ถ้าเรามีบ้านของใจเนี่ยนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับบ้านของกายจิตใจก็ยังเป็นปกติได้บ้านของใจนี่คืออะไรนะอ่าเราก็ฝึกมาแล้วเราเรียนมาให้รู้จักการเอากายเป็นบ้านนะเวลาตัวอยู่ไหนใจก็อยู่ตรงนั้นแหละนะนี่เรียกว่ามีกายเป็นบ้านของใจกายเนี่ยเมื่อมีเมื่อเป็นบ้านของใจนะ ใจมันก็ไม่เร่ร่อนไม่ระหกระเหินก่อนหน้านี้ก่อนปฏิบัติใจอาจจะเหมือนกับคนไร้บ้านนะระหกระเหินบางครั้งก็อาจจะเที่ยวเตะไปยังอดีตที่น่าสนุกสนานน่าภาคภูมิใจแต่บางทีมันก็พลัดตกไปสู่ปรับจมแห่งความทุกข์ความโศกนะที่ยังค้างขาดใจ บางทีก็ไปคว้าเอาความความหนักอกหนักใจมาใส่ตัวอันนี้เรียกว่าเป็นใจที่ระหกระเหินนะเหมือนคนไร้บ้านแล้วก็บางทีก็กระเซาอกระเซิงไปไหนก็ไม่รู้เวลาจะนอนมันก็กระเซาอกระเซิงไปไหนไม่รู้ตอนนอนไม่หลับจะเรียกให้มันกลับมามันก็ไม่ยอมกลับนะมันจะเที่ยวเตบางคนเนี่ยคิดตน คุ้มครั่งหรือว่าถึงแม้ไม่คุ้มครั่งแต่ก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะเป็นอาการของใจที่ไร้บ้านนะใจที่เหมือนกับคนไร้บ้านโกรกระเหินกระเซาอกระเซิงนะใจถ้าเกิดว่าเรารู้จักเอากลายเป็นบ้านนะเวลาทําอะไรนะใจก็อยู่กับกายเพราะปกติเราทําด้วยกาย อาบน้าถูฟันกินข้าวซักผ้ากวาดบ้านใจก็ไม่ได้ไปไหนใจก็อยู่กับกายนะเวลาจะนอนนะใจก็ไม่ได้เที่ยวเต่ไปไหนไม่ระหกระเหินไม่กระเซากระเซิงแต่ว่าก็มาอยู่กับกายสักพักก็หลับไปเลยเนะี่ยเอากายเป็นบ้านนะก็คือตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะกายทำอะไรก็รู้ แล้วต่อไปจะคิดนึกอะไรนะก็รู้ทันแล้วก็ปล่อยวางได้นะ <Yeah. S 1> ถ้าเราเริ่มจากการเอากลายเป็นบ้านของใจนะใจเราก็จะนิ่งขึ้นใจเราก็จะมีที่พักพิงได้พักผ่อนในประเภทกินไม่ได้นอนไม่หลับกลุมหมกุ้มใจเพราะเรื่องราวในอดีตหรือว่าหนักใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งไม่รู้จะเกิดหรือเปล่าแต่ปรุงแต่งไปก็น้อยลง ต่อไปก็เอาปัจจุบันเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นบ้านของใจปัจจุบันก็คือสิ่งที่กําลังทําอยู่นะเอาปัจจุบันเป็นบ้านของใจใจไม่ไหลไปอดีตไม่ลอยไปอนาคตอยู่กับปัจจุบันพอใจอยู่กับปัจจุบันนะั่นมันก็มีความสุขง่ายนะเพราะว่าความสุขที่จริงก็อยู่รอบตัวเรานี่แหละนะมันอยู่รอบตัวเราอยู่ใกล้ตัวเรานะเพียแต่ใจเนี่ย imat, ไม่ไม่ค่อยได้อยู่กับปัจจุบันมันก็เลย ไม่สามารถเก็บเกี่ยวความสุขหรือสิ่งดีๆที่มันอยู่รอบตัวเช่นเสียงนกร้องธรรมชาติที่งดงามฟ้าที่โปรง่งนะดอกไม้ที่บานอยู่ข้างทางหรือผู้คนน่ารักนะที่อยู่รอบตัวเราแม้กระทั่งความสงบก็สามารถจะเก็บเกี่ยวได้นะจากการที่อยู่กับปัจจุบันนะ้าใจอยู่กับปัจจุบันนะเอาปัจจุบันเป็นบ้านมันก็สงบได้ง่ายนะ แม้รอบตัวมันจะมีเสียงน่าอึกระทึกนปัจจุบันมันจะพาความสงบให้พบได้ที่ใจเราแต่คนเรานี่ถ้าเอาเอากลายเป็นบ้านก็ดีเอาปัจจุบันขณะเป็นบ้านก็ดีเนี่ยจะมีความสุขมีความสงบนะมีความโปร่งเบาแล้วก็ปัจจุบันนั่นแหละนะที่มันสามารถจะนําสิ่งดีๆมาให้กับเราได้เยอะแยะเคยไปเยี่ยมท่านติดนาทานที่หมู่บ้านพรมนะเมื่อห้าปีก่อน ก่อนจะกลับท่านก็มอบภาพที่เขียนด้วยผู้กันนะเป็นตัวอักษรเป็นข้อความว่าปัจจุบันขณะหรือช่วงขณะนี้เนี่ยนะมันเต็มไปด้วยสิ่งอศัศจรรย์ this moment is full of wonders ทุกขณะหรือว่าขณะจิตนี้แหละเต็มไปด้วยสิ่งที่มห า, าศัจย์นะงั้นถ้าใจเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ย ไม่ว่าอยู่ตรงไหนทำอะไรมันก็สามารถจะเปิดเผยไม่ใช่ความสงบให้กับเราเห็นนะบางทีเป็นความจริงหรือสัจธรรมด้วยเพราะนั้นเนี่ยนะอ่ากลับไปบ้านแล้วก็อย่าลืมนะอ่าหาบ้านให้ใจด้วยเอาสิ่งที่เราทำเอาสติที่เราได้ฟูมฟังนี้ไปนะไปใช้นะเพื่อร่วมกันก่อสร้างบ้านให้กับใจนะใช้สตินี่แหละที่จะพาใจกลับมาอยู่กับกาย ทำอะไรกายทำอะไรใจก็รับรู้นะอยู่กับปัจจุบันได้อย่างดีที่สุดหลักเตรียมรับพรอิสิตังปฏิตังตุมหังคอยตาผลที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วเอปาเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยฉาพรสาเพปูเรนตุสังกปาพอความดำริทั้งพวงจงเต็มที่จันโทปนรรโสยธา เหมือนพระจารย์ น, นวานเพนมณีโชติรโาโสยถาเหมือนแก่มณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพีติอวิวัรันตูปานจารายทั้งปวงจงบำราดไปสาภโรคโควินา ส, สตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตพวัตวันตรายโยอันตารายามีแก่ท่าน สุขีธีคายุโกภาวาท่านดงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภีวาธนาสิริสนิจังุธาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขงพลัง์ตามสี่ประการคืออายุวันนะสุขะ พ, พละยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติวายกรา มีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิพาวาตุสาภมัางคารังพอสาภามงคลจงมีแก่ท่านปราคันตุสาภเทวตาพอราเทวดาทั้งพวงจงรักษาท่านสาภาพุทธานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาภาธรมมานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรม สาพาสังคาอนุภาเวนด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาสติภาวันโตเตพอความสสดีทั้งหลายยงมีแก่ท่านดูเมื่อเทิน